กตริกินปาวะกัมเมสุกิตจกตคตากรรมานิทุติยายกาโตทยาทมันมะจตวาสมาธิธรมะขาสุปัเธวะมะสุสัสสุสัจฉาราจเชระอาบุพัจราสัจอาลักลาสเลหิรายะยานารนามัติสัตสัโลจะเทสัติสขปตะกาเลสุกิตจาวะสกัตมิเนสุนิจ ราฮาสักดีตุงวะชาีปะปะชาทายนิปัจจันติโลโพชาสัจฉานังานาลุพันเถนุธาติหิญุหูนัมนาณะนาานาคัสการิเตหิจักียธรรมกิเยสานัมันตะสโรติคังวจติสัสสคุณังโทระสักขิจยามติปติปชาิจักกโตเวสตวะมุขภวติุ ติมานีมา i ีพั t เตะอา e คเซนัมฮานีเอคาิโตสกิสักกคตุงสุนัสุนัสนาวานุวานุนุนาอุนานาตรุณัสสุสุจายุวสุวสุวานุนุนากาเลวัตมานาติเตนะวะกโยภาวิสติกรมานีนิคินคาริยาญนาหุตะวภาวะวัชมิจดุลีกรรมานีโนเสเสสสสัมณตุมานานาชาตานิ ว่าธาตีนิโตภเนีิทาตีตติวิโยอุสรังชาทางสานทางสัตถทุตาจาสูภานามูภูสานามตโทจารัญชุทาติทาพิธาอิระวจิชาธาโลโกจาปัติโตอิสะเอรันธรันกาจยาโกขาธรรมะคามาณังขันธะันธาปัตตานีนารัง ทศกุรุภะคะโมวาสาวัติทุทวโรฉายทิวารมูนาทิจีพิทาทิหิยุโรอนาทินุนุทวโรขุทาทิโทมาุปุระสุนาทิอุสานุสีสอิธิกิพิทาณัตเฟุนาทิกาโปชะตุกันโดุนาทิสุตังมิติตังจายะสุตัมิติตัง